เก็บใจเอาไว้รอทีอปีสองปีพี่ก็รวยทำงานห้าเ ง, งินไม่ก็หูวยถ้าหากไม่สวยจริงๆเก็บใจเอาไว้รอพี่ก่อน ยังต้องพอนบางคืนต้องนอนบนฟุตปาประยยัดให้เธอเพียงเท่นานสักวันต้องรวยจริงๆเก็บใจเอาไว้รอพี่ก่อน จะรีบหางเงินให้ใช้เอาไปพอ่อนรถ